ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการคุยธรรมะในการคุย สามารถที่จะยิงได้จริงๆในสงครามในทหารเค้าก็ต้องฝึกเหมือนกันในเรา นะเราก็ฝึกเหมือนกันนะเขาอาจจะฝึกมาๆทํา นั่นมันหลุดออกไปหมดแต่เพราะความที่ธรรมะเนี่ยมันไปแทงตลอดแต่เพราะนั้นเราจะทําให้ธรรมะมันไปแทงตลอดในๆเนี่ยทําซ้ําๆทําย่ําๆ มันยังไม่นิ่มยังไม่นิ่มมันยังไม่ได้ทําเอาน้ําฝาดที่อยู่ใน 2 พุทธเจ้าเปรียบกับช่างปั้นหม้อนะไอ้ เอาดินเหนียวเข้าไปเอาดินเหนียวเนี่ยมาเลือกไอ้เศษๆออกก่อนล้างน้ํากวนให้ดีนะเอาไอ้เศษๆอะไรหยิบออกหยิบออกนั้นดินที่ได้มาเนี่ยก็ต้องกวนปั้นๆๆๆเดี๋ยวเชื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดี๋ยว 2 ในที่สามพระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเอ่อนายช่างกลึงเนี่ยจะขึ้นรูปอุปกรณ์อย่าง นะเค้าจะทําขนมเนี่ยเอ่ออย่างไส้ขนมเป็นต้นเอางี้ดีกว่า ซึ่งประกบแรงน้ําไม่ได้ใส่กาวไม่ได้ใส่แป้งอะไรที่มันจะทําให้มันเหนียวขึ้นมาได้เลยมันกลับ นะทำอย่างงี้ก็ทำไงคุณทำอย่างดีไงทำศีลอย่างดีทำซ้ำทำย้ำทำซ้ำทำย้ำเข้าไปนะสมาธิใช่มั้ยอ้าวคุณพยายามทำไปทำซ้ำทำย้ำทำซ้ำทำย้ำๆทำซ้ำๆทำย้ำๆ ดีถูกต้องตามที่พระเจ้าสอนนะทําเนี่ยทําให้เราคล่องคล่องแคล่วในการทําในการ ความฉลาดหลักแหลมว่องไว 80 90 ละแม้ผมหงอกละตัว 80 คนจะ นะแม้แต่ท่านก็ต้องถามแล้วเนี่ยปฏิภาณในการตอบคําถามก็ตามนะเรื่องความฉลาด นะ, นะ, 80 ปีเป็นต้นเป็นต้นเอาต่อให้เอ่อสาวกที่ฉลาด นะให้ถามคําถามกับพระพุทธเจ้านะเอาคนฉลาดเนี่ยนะมีปัญญามีสติมีคติมีอีทิอย่างอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยมีปัญญาอย่างเฉลียวฉลาดเนี่ยให้เอาพวกเนี้ยมา ทรงจําไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยร้อยปีตลอดร้อยปีแล้วเว้นการกินการดื่มการเที่ยวการหมดนะคุยกันเนี่ยปีหลับนอนไม่ต้องอะไรเลยนะให้ถามคําถามกันอย่างเงี้ยถามแล้วตอบให้จําไม่ได้ถามแล้ว ของพระองค์มีมากทีเดียวนะสามารถรู้รายละเอียดกําหนดบท เอ่อถามคําถามมาบ้างอะไรเงี้ยอาจจะตอบบางทีก็จนคําตอบเหมือนกันละเอียดละเอียดแต่นุ่มนวลแต่ว่า นะคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมะต่างหากนะที่จะเป็นคนหยาบนะคนแข็งกระด้างในแต่คนปฏิบัติธรรมะนี่จะเป็น นะก็จะมาบังคับกูเขียนหรอกเราก็ไม่ทําแต่เรานุ่มนวลในใจที่ เราฝึกจุงทางจิตเรามันเนียนมันนุ่มมันอ่อนเหมาะแก่การงานการงานในที่นี้ เออมันให้ร่มเงาเราได้นะให้ความสุขเราได้นะเราไปอยู่ใต้ร่มเงาแล้วก็ อันนี้เป็น 3 อย่างนี้ในเห็นข้อดีของมันอย่างน้อยได้ 2 คือเห็นโทษเห็นและอย่างที่ 3 คือเห็น 3 อย่างเนี้ยอะไรก็มีจี้ไป 3 อย่างนี้หมดนะท้องฟ้าได้ในจี้ไป เราคิดได้อยู่แล้วนะในประโยชน์บางอย่างไม่มีด้วย นะคือถ้าเราไปคิดว่าเออมันยังจะอยู่ในตอนที่ สิ่งที่มันไม่เที่ยงแม้สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขแม้แต่มันไม่เที่ยง ทำไมถึงว่าอย่างงั้นสุขเที่ยงมั้ยล่ะสุขเป็นเอาเลเบลติดนะผากมันไว้มันคือความทุกข์แล้ว เราเห็นด้วยตาใจในใจเห็นด้วยตาใจเราก็ทําไปตามที่สังคมโลกเขาว่ากันไปใช่มั้ยนะรถก็ต้องๆดีๆมาเราก็ เริ่มจะมีปัญญาในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งพระเจ้าได้แต่ปัญญานี้